จมกลมบ่มรู้ดูใจไม่เข้าไปในความคิดจงกลมมันหมายถึงเดินไปเดินมาหรือเคลื่อนด้วยมือไต้จงกลมเพื่อบ่มบ่มสภาพรู้ตัวนะครับบ่มรู้แล้วก็ดูใจไว้อย่าไม่เข้าไปในความคิดจมกลมบ่มรู้ดูใจไม่เข้าไปในความคิดคือพอเข้าไปกนดึงออกมา